ปอดเนี่ยเรารักตับเนี่ยเรารักมากหัวใจเนี่ยเรารักมากอันกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มมัชชริยะทั้งนั้นแหละไม่กล้าสละทั้งนั้นแหละเราจะได้รู้ว่ากิเลสมันเบาบางลงจริงหรือไม่หรือมันหลบไหนมันหลบไหนมันดูเหมือนมันหมดนะ่ะแต่จริงๆมันไม่ได้หมดจริงอะ่ะถามว่าตากับกิเลสเนี่ยอันไหนละได้ยากกว่ากันถามว่าการปฏิบททัติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติเพื่อให้ละตาหรือละกิเลสละกิเลสละกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มีตา แต่ว่าการมีตาเนี่ยมันประสบชาติทุกชราทุกปยาทีทุกหมรณะทุกคนที่ไม่มีตาก็ไม่ไม่ต้องผิดหวังถ้าตาบใดนะ่ยตาหมดไปแล้วเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าน่ยไม่มีตาแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยพระสารีบุตรพระโมคคารนะพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยท่านเหล่านั้นล้วนไม่มีตาแล้วท่านไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านดับวัฏโทกได้แล้วท่านจึงต้องไม่ต้องมาผิดหวัง ใช่ไหมล่ะแต่การปฏิบัติธรรมเขาไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อการเจาะตาทิ้งไอ้พอพูดอย่างนี้มันก็เลยมีเงื่อนไขโอ้ดีที่เราเนี่ยพอเรารู้คำสอนอย่างนี้ไปเสร็จอ๋อไม่ใช่ฉันจะห่วงลออแต่ฉันมีตาไว้เจริญกุศล น, น, นี่เป็นสำนวนโดยใจจริงๆไม่ได้กล้าถอนจริงๆหรอกถ้ามีใครมาขอโอ้ตาคุณรู้สึกมันจะมาอยู่นานแลยนะชัดดีเหลือเกินขอตาคู่นี้หน่อยเถอะโอ้โหพั ง, งะเนียเนี่ย ถ้าเท้าส ก, กาจะแปลงกายมาเป็นขอทานตาบอดมาแล้วงกงเงินเง่อนมาท่านขอตาคู่นี้ท่านเธอช่วยควักเดี๋ยวนี้ให้เข้าระเจ้าด้วยพอเท้าสพอมีคนมาขอตาท่านเบเสร็จปุ๊บตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าศีอีเนี่ยศีวิราชเนี่ยท่านก็บอกบอกว่าให้ท่านเข้าไปในในท้องพัโลงที่ไม่ค่อยมีคนเยอะ เดี๋ยวจะมีคนห้ามเราพอได้ยินว่าเขามาขอตารู้สึกชื่นใจมากปีติปีติปลาโมดน้ำตาไหลบุญของเราสำเร็จแล้วทานบา ร, รมีของเราสำเร็จแล้วเราจะให้ดวงตาเป็นทานแล้วก็ เ, เลยให้หมอยังไงให้เตนกะที่หมอให้หมอที่ชำนาญมาบอกว่าท่านเป็นผู้ชี่ชำนาญมากช่วยควักตาของเราเนี่ย ให้ขอทานให้ให้ให้ตารพรามนี่สิเขาตาบอดมาให้มาต่อตัดตาเราเนี่ต่อให้เขาหน่อยเขาจะได้เห็นเขามาขอข้างเดียวท่านบอกว่าชื่นใจมากเราจะให้แถมท่านอีกข้างนึงท่านคิดอย่างนี้จริงๆนี่ไงคนที่เขาบาเพ็ญบา ร, รมีเขาบาเพ็ญอย่างนี้แหละจะได้รู้จักพระพุทธเจ้า ทีนี้ตอนนั้นนะพวกประยุรญาตมาขอร้องให้อย่างอื่นให้ไปเธอขอพระองค์อย่าได้ให้ตาเลยอย่าได้ให้ตาเลยท่านก็บอกว่าถ้าเราพูดแล้วแล้วเราไม่ให้มันเป็นการโกหกที่น่าอับอายที่สุดนะนนเราจักไม่ทำลายบา ร, รมีของเรา เราจะไม่ทำลายสัจจะบารมีของเราพอแม้พราะเหตุแห่งอวัยวะแม้พราะเหตุแห่งชีวิตเราจะไม่ทำลายสัจจะบารมีประโยชนญาติสลบ ก, กันมิแถวไปแนแรลูท่านก็บอกหมอช้าอยู่ใหญ่รีบดำเนินการเถอะเราอยากเห็นทานบารมีของเราหมอก็พิจารณาดูเออทำยังไงดีนะก็ใช้ยาหยอดเข้าไปนะ ยอดเข้าไปในเบ้าตาใช้ยาเป็นประดุดเหมือนน้ำกรดกัดหนังตารอบๆอบไปเลือดก็ทรักไหลาอพลาพ่อละกายของพวกริษัท ต, ตอนนั้นน่ะท่านก็ทำปลาโมดปีติให้เกิดไม่คำโทมนัสในใจใเกิดขึ้นทั้งทั้ ท, ที่ปวดกล้ามเนื้อเต้นกึกเนียแต่ใจของท่านไม่เจ็บปวด มันปวดแต่ร่างกายเนะแต่ใจไม่โทมนัสทีนี้พอใส่ยาเข้าไปตาไม่สามารถหลุดออกมาได้หมอต้องใส่ยาเป็นครั้งที่สองเพราะมันติดเบ้าตาไงไม่สามารถจะกลิ่งออกมาได้ก็ใส่ยาเป็นครั้งที่สองพอใส่ยาเป็นครั้งที่สองหมุนลูกตามันหมุนได้ปวดกว่าเก่าอีกทรมานใจแทบขาดทีนะ แต่ท่านก็ทนนี่ไงคือทานบารมีท่านไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นทำคุณธรรมที่เป็นทานเจตนาสีแลเจตนาทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นบารมีทุกบารมีเนี่ยมาหมดนะทานบารมีศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขาเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในใจตลอดแต่ที่เด่นที่สุดตอนนั้นก็คือศีลเนี่ยที่ทานศีลเนี่ยนะตัวทานบารมีเนี่ยเริ่มเด่นนะเพราะจะต้องการสละสละวิวะเนื่องด้วยชีวิตเลยนะเนี่ย แล้วต่อมาก็หยอดครั้งที่สามจะหลุดออกมาข้างนอกเลยตาหลุดออกมาแต่ก็ยังติดสายยึดโยงตาเนี่ยพระปริศัต์ก็บอกว่าหมอช่วยตัดตัดสายที่เราโยงรยายเนี่ยเอาใส่ไว้ที่มือเราเราอยากเห็นทานะบามีของเราหมอก็ตัดตัดเบ็ดเสร็จก็ใส่ไว้ในมือท่านก็เอาตาอีกข้างหนึ่งที่เหลือมาดู พอดูแล้วท่านก็ปลาโมดปีติปสัสสธิสุขโสมนัสสมาธิก็ตั้งมั่นท่านก็อุทานอาอกมาว่าไม่ใช่ท่านไม่รักตาขุนไม่ใช่ท่านไม่รักตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ท่นไม่ม ใ, ไมไมไมใช่ท่านจะไม่รักผมขนเลืดปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นเนอะอัตภาพนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่างยิ่งแต่สัมมาสัมโพฮิยานเป็นที่รักยิ่งกว่า ก็คือสัตว์โลกทั้งหลายนี่แหละเราปลูกสัตว์ไว้ในตนประดุดังบุตรของเราเราจะช่วยบุตรของเราออกจากความเป็นปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอิยาให้ได้ฉะนั้นเราจึงกล้าให้ตาคู่นี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมปวรญาณท่านก็จับมือพาม์ตาบอดเนี่ยบรรจงเอาตายื่นให้นี่ไงแล้วก็ให้หมอทําอีกข้างหนึ่งแล้วก็ยื่นให้แบบเนี้ยนี่กว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพวิญาณเนี่ยยากไหม ยากไม่ยากนี่ไงเราจะได้รู้จากท่านและจะได้รู้จากคุณท่านถ้าอย่างนี้เพียงพอหรือ ย, อยังที่เราจะเชื่อคนที่มีจิตใจแบบนี้เพียงพอหรือ ย, อยังเพียงพอแล้วที่เราควรจะตั้งศรัทธาไว้ในท่านผู้นี้อย่างแรงกล้าและเดินตามพุทธโอวาทอย่างไม่หวั่นไหวเราไม่ต้องเพียรเท่าท่านนะ่ะ แต่เราได้แนวทางสามารถแทงตลอดสัจจะบรรลุได้ถ้าเพียงเดินตามพุทธโอวาทอย่าเดินตามโอวาทของคนอื่นก็นแล้วมัใช่ไหมล่ะเอาถ้าอย่างเนี้ยเราจะไปมัวกังวลที่จะไปมัวสนใจสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนอยู่ทําไมและเรายังเชื่อตัวเองอยู่ไหมเรากล้าอย่างท่านไหมเรากล้าเท่ากับพระโพธิสัตว์ไหมกล้าที่จะควักตาอย่างนี้ไหม ถ้าไม่กล้าก็อย่าเชื่อความคิดตัวเองเพราะความคิดตัวเองที่มันบอกนั้นมันหลอกได้ส่วนใหญ่ใช่ไหมลราฉะนั้นที่ผ่านมาเราเชื่อความคิดของเราเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกปฏิบัติอย่างนี้ถูกแต่ไม่เคยเทียบเทียงฟังพุทธวิวาทเลยพุทธโอวาทบอกอย่างนี้บอกอย่างเนี้ยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรากล้าสละเท่าท่านแล้วได้มาซึ่งสมาสัมโพิญาณถ้าอย่างนั้นเนี่ยเชื่อตัวเองได้อย่าง ถ้าตอนนั้นถึงจะเชื่อตัวเองได้แต่ตอนนี้เชื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้เพราะเราบา ร, รมีไม่ถือมันต้องรู้จักยอมใครเป็นนะแต่บางทีเราไปยอมใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเดียร์ใช่ไหมเล่าตรงนี้ตรงนี้ต้องการบอกเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาโดยอนุรมและปฏิรมเสร็จอย่างเนี้ยพิจารณาเห็นสัตว์ทั้งหลายที่พ้นจากวัตจุ เพราะพุทธเจ้าที่ผ่านมาในดีสาวกที่พากันมันลูไปเสตร็จต่อมาพระพุทธเจ้าก็พิจารณาบอกว่ายะทาฮาเวปาตุบวันดีธรรมาเนี่ยอาตาพิโนชาัยาโตพระมนาสันอาทาสักังขาววิยันติสภะยะโตประชานาติเศรตุธรร ม, มันติบอกเมื่อใดแลโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการ คือเมื่อใดก็แล้วแต่สติปทา น, 4, ส, ทาน 4, าสี่สมมติปทานสี่อิทิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรตมีองค์แปดปรากฏในกระแสชีวิตของพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่พราหมณ์ในที่นั้นเป็นชื่พนภรหัยนะเมื่อนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งขีดคือตอนนี้ ตอนนี้เรารู้ทุกขศาสตร์หรือยังรู้หรือยังเนี่ยรู้เหตุของทุกขศาสตร์หรือยังตอนนี้เรารู้พระนิพพานหรือยังรู้มรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ถึงพระนิพพานหรือยังเรายังไม่รู้ธรรมะซึ่งเป็นตัวผลกับตัวเหตุนะตอนนี้เรายังไม่ค่อยฉลาดในเหตุและผลเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะเรายังไม่แทงตลอดสจัจจะเอางี้นะว่า เสียงชมเนี่ยพอมีเสียงชมขึ้นมาในปรากฏในในทวารใจเราปุ๊บในปรากฏในมีคนชมเราปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเมื่อมีคนชมเราปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเราจะคิดถึงอะไรมีคนมาชมเราว่าโอ้ยท่านทั้งหลายปฏิบัติได้สุดยอดจริงๆสมมตินั่นนะถ้ามีคนพูดคานี้ปุ๊บตอนนั้นเราจะคิดถึงใครคิดยังไงเอถามหน่อยใครเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้านจะยินเสียงชมเนี่ยตอนนั้นคิดถึงอะไร ย้อนคิดถึงอะไรฮะอ๋อคิดถึงว่าคิดยังไงอ่าคิดถึงครูบาอาจารย์สอนที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเอ้าถ้ายินได้ยินเสียงชมเนี่ยก็จะคิดถึงอะไรเสียงชมว่าคุณเก่งมากคุณทํางานขยันมากคุณเป็นคนดีมากเพียงคำแค่นี้พเพิ่มในตอนนั้นคิดถึงอะไรฮะคิดถึงว่า <c oughs> หมาว่าใครได้ยินเสียงพบใครเคยคิดไหมวันนี้คือทุกข์สัตย์เสียงเป็นทุกข์สัตย์ไหมทําไมถึงมีหูทําไมจึงมีเสียงทําไมถึงมีความรู้สึกในการที่เข้าไปรู้เสียงอ้อยตัวนี้เป็นตัวทุกข์สัตรว์ทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากสมุทัยมาจากเหตุนะเคยคิดขนาดนั้นไหมอันนี้เพราะเนี่ยเราไม่รู้จะทําที่เป็นเหตุและทําที่เป็นผลทําที่เป็นผลและเป็นเหตุไงแล้วเราเห็นว่าเสียงโอ้เสียงลูกเพาะมาเสียงภรรยาเสียงสามีเสียงญาติมิตร เสียงลูกศิษย์ลูกหาเสียงเพื่อนบ้านเพราะในขณะเดียวกันถ้าได้ยินเสียงด่ายมสมรวยเนะี่ชอบเล่ามาประวัติที่โดนว่าบางโดนทํำร้ายโดนอนะไรเนีชอบเล่าอย่างยไอ้่างเนี้ยพอได้ยินเสียงอย่างนั้นนะคิดยังไงทําไมเขามาทําแล้วเป็นกรรมของเราเราทําไว้ไม่ดีก็เพ้อไปทั่วแหละเคยคิดไหมว่าเสียงนี้เป็นทุกข์สัตริย์แม้หูที่ได้ไปยินเสียงก็เป็นทุกข์ แม้ใจที่เข้าไปรับรู้เสียงมันก็เป็นทุกข์สรุปก็คือสภาพของตาหูจมูกเล่นกายใจของสมมุติว่าเราทั้งหลายมันเป็นทุกข์ทั้งหมดมันมาจากเขียตคือสมุทยัยมันเคยกำหนดทันขนาดนั้นไหมถ้ายังไม่กำหนดทันเ็าเรียกไม่เห็นอริยสัจแต่การถึงสารณาคมของเรายัางไม่แข็งแรงถ้าการถึงสารณาคมของเรามันแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องรอบรู้ทุกข์ทั้งหมดมันมาจากเขต ย, ยังไง มัจะสมุทัยยังไงแล้วก็ไม่ก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่ไปปฏิเสธว่าฉันก็ไปสวดมนต์แล้วนะฉันก็ไปนั่งกรรมฐานแล้วนะแต่ทําไมฉันจริงต้องว้าวเวอยู่ทําไมฉันต้องผิดหวังอยู่ทําไมฉันต้องไปทุกข์อยู่อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาหรือยังยังยอมรับความจริงไม่ได้ยอมรับได้ด้วยปัญญากับยอมจํนนนี่เหมือนกันไห ม, ไมนี่เหมือนันยอมจำนน ยอมยอมนอนก็ยอมจอมนอนก็คือไม่รู้ไม่มีปฏิกิริยาในการที่จะพิจารณาใครควรเข้าถึงความจริงอะไรเลยเห็นไหมเพราะไม่รู้ทำพร้อมกระหตริตอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่ากระแสะความคิดของเราแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอย่างเลยที่พระพุทธเจ้าก็พิจารณาแต่ในรายละเอียดตรงนี้มีเยอะนะนีต้องการชี้ประเด็นให้ดูว่า ต่อมาพระเจ้าก็เมื่อมัชชิมยามก็พิจารณาอีกปฏิจสมบัติทั้งโนรมและปฏิโลมแล้วก็อุทานออกมาบอกว่าครั้งนั้นแลท่านเป่งอุทานว่าเมื่อใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีความเพี้ยนเพี้ยงอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งพวงของพรามย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุก็ในยะเดียวกันนี่เนื้อพอประการสุดท้ายเมื่อใดแล ทำทั้งหลายคือพอที่ปักเกียรรทย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีความ เ, เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจอาทิตย์อุทัยทำอากาศให้สว่างสวัยเช่นนะั้นแปลว่าท่านกำจัดมารกิเลสมารท่านก็จัดมากำจัดได้อย่าง กิเลสมานก็กำจัดไปแล้วขันธมานมัจจุมาณ์เทวุตมาร aman, แล้วพิสังขา ร, ร ม, มานเทวุตมารก็โดนใช่มพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นเป็นผู้ชนะมารเขาเรียกพชินะที่ตอนอุปตตรชีวกเทวดาพระเจ้าเพระถาพระเจ้าเชื่อใอจพระเจ้าดูก่อนสหายเรามีนามว่าอนันตชินอนันตชินะแต่เป็นบุคคลที่ไม่แพ้แล้วก็คือชนะ ชนะมารทั้งห้าแล้วอุปกาชีวคฟังแล้วก็สั่นศีรษะแล้วก็แลบลิ้นเห็ไหมล่ะทำไมสั่นศีรษะแลแบลิ้นเพราะอะไรอ๋อเคารพเออพระพุทธเจ้าเนี่ยใครเห็นก็เคารพสมมติตั้งกติกาว่า เอาละเราจะไม่เคารพแล้วพอไปเห็นจริงๆเนี่ย ล, ลืมหมดในกติกาที่ตั้งสังเกตดูว่าบารมีเรามากหรือไม่มากอะลองไปหาคนอื่นไปหาคนที่เขาโกรธเราที่เขาตั้งใจว่าจะด่าในน้อยนะเขาจะด่ามากขึ้นนะถ้าคนบารมีต่ำเลยใช่ไหมล่ะบางที ถ้าเราไปบอกใครแล้วเขาสวนทุกคำเขาไม่เคยเชื่อเราเลยเราโทษคนที่เราบอกหรือโทษตัวเราโทษตัวเราทำไมโทษว่ายังไงโทษว่าคุณธรรมที่สั่งสมมาไม่มีกำลังพอเขาจึงไม่เก่งอกเกยงใจใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณธรรมที่สั่งสมมาเนี่ยบริบูรณ์นะบางทีมองหน้าและคิดในใจเขาก็ทำาแล้ว แต่ตอนนี้ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วบอกแล้วก็ไม่ได้สมควรบอกไหมสมควรบอกไหมก็หาวิธีแล้วก็รีบควนขวายไหมรีบควนขวายในการจะเพิ่มเติมบารมีไหมถามว่าบุญอะไรหนอจึงเป็นปัจจัยต่อการที่จะบอกคนอื่นแล้วเขาเชื่อฟังมาจากตัวไหนมาจากทานกุศลและศีลกุศล นั่นแหละทานบวกสีนั่นแหละใช่ไหมทานบวกสีนั่นแหละอย่าแปลกใจอ่อเอ๊ะทําไมเนี่ยคนเช่นเราไปบอกใครแล้วไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยอย่าไปทุกข์ใจนะบางทีเราพยายามบอกเชื่อข้าเธอเชื่อข้าเธอจับแขนเขา่าแล้วเขายาวอีกเขาก็ฟังเราเฉยเฉยเขาก็ไม่เชื่อเราเลยเนี่ยบางคนถึงขนาดต้องลากมาเลยนะจูงมาแล้วเขาไม่เชื่ออันนั้นบง่งบอกถึงว่าความที่บุญเขาตัวเองยังต่ํา ก็อย่าไปทุกข์ใจกับเรื่องนั้นคนบางคนะบอกผิดๆแต่มีคนเชื่อเต็มเลยนั่นะเหตุอดีตทีดีนะเนี่ยสังเกตดูคนบางคนเนี่ยไม่น่าจะมีสัทธิวิหาล็กไม่น่าจะมีบริวารขนาดนั้นเลยนะโอ้โหพูดก็ผิดแต่เราศึกษามาแทบตายไปนั่งฟังเลยนั่งมึนเลยเชื่อกันได้ไงวะเนี่ยเป็นล้านเป็นแสนเชื่อกันหมดนี่นะนั่นแหะมาจากอะไรดูนะนิจจะทานนิจจะศีลตัวดีเขาทําเรื่องอภิญญาณเวียวจกักรปฏิทานน่ามันดีมาก แต่ด้านปัญญาเขาคือด้านวิชามันมีสองส่วนไหมจรณะกับวิชาเนี่ยจรณะคือทานกุศลศีลกุศลเขาดีแต่วิชาคือปัญญากุศลเขาตกเขาตกต่ํานั่นคนประเภทเนี้ยถึงไปเกิดนะที่ไหนนะบอกผิดคนก็เชื่อเอาไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยพระที่มาอยู่เนี่ยถ้าให้ยมสํารวยมาพูดคนอาจจะเชื่อยมสํารวยมากกว่าใพรเพราะอะไรรู้ไหมบุญเกี่ยวเรื่องของนิจจทานนิจจศีลมีกําลัง แต่ทั้งๆที่ยอมสมรวยจะบอกผิดด้วยบางเรื่องเนี่ยแต่ก็มีคนโอ้โหฟังแล้วชื่นใจเพราะอะไรอ่เพราะอะไรเรพออราะตัวนิจะทานกับ น, นิจะศีนเนี่ยมีกำลังหน่อยแต่วิชาคือปัญญาเนี่ยไม่ได้สั่งสมมาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคนเราก็ต้องดูแต่อย่าลืมนะ ในขณะที่ไปบอกสิ่งที่เขาบอกผิดๆบอกไม่ถูกเนี่ยโทษทีมันจะตามมาจะเป็นเหตุทําให้ตนเองไม่ได้เจอกัลยาณมิตรที่ถูกต้องอะ่ะอันนี้จึงเป็นเรื่องเขาถึงบอกว่าปุณจ้าบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งอ่าคนคนไม่ฉลาดห้ามเป็นผู้นําคือคนไม่มีวิ ช, ชาไม่มีปัญญาเนี่ยห้ามเป็นผู้นํา ทำไมมันจะนำเขาผิดถ้านำเขาผิดแล้วอะไรตามมาสิ่งที่เขาไปปฏิบัติผิดๆนั่นแหละกรรมมันนั้นเน่ยมันจะตามมากระแทกกระแสชีวิตเรามันจะทําให้ชีวิตเราไปออกนอกทางไปเลยแต่เนี้ยเขายึงห้ามไนงะเขาใหญย่ายงอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าคืออย่างนี้นะคือสิ่งที่พูดเนี่ยที่ถูกไม่ใช่ไม่มี แต่เพอินบางอย่างมันกรองมาบางอย่างไม่ได้กรองแค่นั้นเองแต่พูดแล้วยมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดในท่านไปกรองเองนะอาจจะมีทั้งผิดและถูกแค่นี้ได้พเพอนไปบอกกับคนไม่มีข้อมูลก็เลยไปเลยทีนะี้ไป <c ười> คือตั้งแต่เจอยอมสํารวยวันแรกก็ยอมสารวยก็เล่าให้ฟังหมดเลยแล้วมาวันนี้ยอมสํารวยก็ยังเล่าเรื่องเดิมไปบังนี <c ười> แต่ก็ดีนะฟังแล้วก็ได้ข้อมูลได้ควาคิด มันได้ข้อคิดแล้วแล้วสิ่งที่สิ่งที่ได้ต่อมาคือว่าเข้าใจแล้วคําว่าชรลาคืออะไรเข้าใจชัดเข้าใจคําว่าชรลาแล้วก็นึกถึงว่าเรายังไม่พ้นเนี่ยนึกถึงว่าเรายังไม่พ้นคือฟังแล้วรู้สึกเข้าใจทันทีโอ้ชะลาชะลาทุกเป็นอย่างนี้เองที่บอกว่าความแก่งอมของอินทรีย์ทั้งหลายนะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอด ไซ ใ, ใหญ่ไซน้อยทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเัน่นี้กระแสะของตาหัวจมูกลิ้นกายก็เฉื่อมสภาพลงเริ่มทําทํางานวิปริษแม้สภาพสมองก็ก็ชราความจําก็เลอะเรือนเริ่มก้นเปื่อยก็จําได้แต่เรื่องอดีตพราะเรื่องใหม่ก็เริ่มจําจําได้ไม่ค่อยแข็งแรงเข้าใจคําว่าชราชัดนี่คือทุกข์นะ ซึ่งมันเบียดเบียนกระแสะชีวิตของคนทุกคนของพวกเรากําลังเรากําลังถูกชาลาทุกเบียดเบียนไม่มีเวลาไหนเลยที่ชะลาจะไม่ไม่ไม่เดินคืบคามเข้ามก็มาตัวชะลาก็เหมือนกับภูเขาสี่ลูกนะมันกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่แล้วมันกําลังบีบเข้ามาเพื่อจะบดขยี้กระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายของพวกเราเนี่ยเข้าใจเลยคิดว่าเรานั่งอยู่งี้ชะลาไม่รุมเร้าอยู่เลยชาลามันเคยหยุดตัวมันไหม เหมือนทูบนะยอมจุดติดปุ๊บเนี่ยมันไม่ดับอ่ะมันไหม้จนหมดเลยอิชลาคือทูบเบ็นะคือทูบแท่งนั้นแหละนี่มันไหม้มาแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าขณะที่เรากําลังนั่งฟังวาทธรรมอยู่ชลามันแผดเผาทุกะยะทุกจุดอนูของร่างกายด้วยปัญญาของเรามันหยาบมากอะ่ะเราไม่เคยแทงตลอดสัจจะความจริงของทุกขสัตว์ในข้อนี้เลยนะที่เราจะเห็นความจริงของชลา ขนาดรูปธรรมเรายังมองไม่ออกแล้วนมามประธรรมไม่ต้องพูดถึงนี่คือฉลาเราเห็นความเสื่อมไปของความคิดไหมความไม่คล่องแคล่วว่องไบของความฉลาดไหมการไม่สามารถที่จะจําคําสอนแทงตลอดสัจจะความจริงของชีวิตได้นะเข้านะเข้าเชื่อไหมว่าวันที่เป็นนอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายยมจะท่องนะโมตัสสะไม่ได้ แค่ประโยคเดียวว่าขอนอบน้องพระเจ้าเนี่ยยมก็จะท่องกันไม่ได้ชลามันเบียดเบียนกันนั้นมันเบียดเบี ย, บยนกันฉะนั้นตอนนี้มันยังพอจำอะไรได้ที่เป็นคำสอนรีบจำเสียจะได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแกการแทงตลอดสัจจะนะเข้าที่จำไว้ทั้งหมดมันจะกลิ้งหายไปหมดเหลือแต่ไว้เป็นอัธยาศัย ถ้าใครไปมัวจําในสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนมากกว่าคําสอนให้ครวญในสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนมากกว่าคําสอนถามว่ากระแสชีวิตของเราจะไปไหนก็นอกจากพุทธที่จริงเราก็เดินคนละทางกับพระเจ้าเราก็จะปราถนาบนทุกข์เหมือนกันแหละแต่ความบนทุกข์ของเรากับความพนทุกขก์กของพระเจ้านักเองคนละเส้นกันแล้วเนี่ยคนละเส้นกันแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ นั้นตรงนี้ก็มาพูดถึงในเรื่องของตัวศีลใช่ไหมพูดถึงตัวศีลก่อนเราเจริญศีลกันได้แข็งแรงหรื อ, อยังเจริญกันได้แข็งแรงหรื อ, อยังพอสมควรนะศีลเป็นรูปประธรรมหรือเป็นนามธรรมศีลนี่เป็นรูปประธรรมหรือเป็นนามธรรมยอมศีลเป็นรูปประธรรมหรือเป็นนามศีลเป็นรูปหรือเป็นนามศีลเกิดที่ไหน ถามว่าใจคิดทุกครั้งมีศีลทุกครั้งหรือเปล่ามีหรือไม่มีระหว่างที่มีศีลกับไม่มีศีลนั้นไหนมากกว่ากัน <laughs> ศีลเกิดดับไหมเกิดดับไมศีลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอะไรที่เริ่มเริมเริ่ ม, รมตรวจสอบความเข้าใจแล้วนะศีลจะเกิดขึ้นกับ กุศลศีลจะเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นกุศลหรือเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นอกุศลศีลจะเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นบุญหรือเป็นบาปเห็นไหมเราเริ่มจะมองเห็นแล้วนะว่าศีลจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นบุญในขณะที่จิตเป็นกุศลแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งใจเราเป็นบุญมากหรือเป็นบาปมากเห็นไหมในขณะที่เราใจเราเศร้าหมองหรือสภาพจิตของเราง่วงซึม ทอถอยพดหูฟุง้งซ่านในขณะนั้นกุศลศีลเดินในใจไหมไม่เิเพราะอะไรจึงไม่เกิดศีลจะเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นต้องตั้งใจให้เกิดจึงจะเกิดศีล ต, ต, ต้องตั้งใจที่จะให้เกิดถ้าไม่รู้จักตัวศีลตั้งใจยังไงศีลจะเกิดหรือไม่เกิด ม, มันเหมือนบอกว่าถ้าเราไม่รู้เลยนะแม่บอกว่าไอ้หนูเองไปซื้อ ขาที่ตลาดถึงนก็คว้างเงินวิ่งไปเลยแต่เราไม่รู้จไอ้ตัวขามันเป็นยังไงเนี่ยขาเอ๋ยแตะใครเอ๋ยพีเ่เกินมันจะหยิบถูกไหมเนี่ยสภาพจิตใจที่เป็นศีลก็อย่างหนึ่งสภาพจิตใจที่ไม่มีศีลก็อย่างหนึ่งนะยมนะถามว่าศีลเป็นเรื่องหยาบหรือเรื่องละเอียด <c oughs> แต่ถามมีใครคิดจะเจริญทำกุศลศีลให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวเราได้จริงๆไหมวันก่อนอนาะจารย์อามาบอกว่าเราไปขอศีลจากพระได้หรือไม่ได้พระให้ศีลได้ไหมเรียพาพระบอกข้อปฏิบัติบอกสิกขาบทบอกข้อปฏิบัติศีลเราต้องทำให้เกิดเองไหมยอมต้องถามยอมสับรวยกัน ไปขอสีนจยกากพระบ่อยไหมไม่ขอจดเลยจ้ะอแล้วไปเอามาอย่างไรไอ่าแล้วไม่เองไม่ได้ขอแล้วแล้วเอาสีนที่ไหนมาปฏิบัติแล้วรับมาแล้วทำไงทำไงว่ารับมาแล้ว ไอ้ตรงเนี้นะมันมันยากตรงเนี้โยมมันยากตรงว่า<ม>พอไปรับศีลเนี่ยมันมี ม, นมีพระมันมีมันมีคนมาขอศีลเนี่คนที่ศึกก็ขอศีลจัดพระพระก็ให้ศีลพระก็ให้ศีลแต่มาโยมก็ถามว่าหลวงพ่อให้ศีลทุกวันเลยเนีเอาศีลที่ไหนมาให้ <c oughs> <c oughs> เอาศีลที่ไหนมาให้โยมเนี่ยพวกก็มีปัญหากันเลยทีเนี่ย แค่ที่จริงเน่ะพระไม่จะให้ศีลไม่ได้หรอกศีลไม่ได้ออกจากพระวิ่งไปถูตัวโยมแต่พระบอกข้อปฏิบัติบอกข้อปฏิบัติไม่ใช่ศีลพุ่งจากพระไปวิ่งสีลเข้าตัวโยมแล้วก็มีศีลขึ้นมาอัตโนมัติเป๊ไปเข้าใจอย่างนี้ป่ะเวลาพระให้ศีลเน่ะศีลวิ่งจากตัวพระวิ่งเข้าตัวโยมสารวยป่า ถาว่าท่านชี้นเนี้ยอะไรบอกว่าปานาติปาตาเวรมมามณีสิขสกาาาามมาสขาประทางสมาธิยามีแล้วก็ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามีเป็นต้นแล้วก็พาเขาบอกสีเลเนะสุกติยันติสีเลนะโพกสัมปทาศีเลนะนี่พุติยันติแตสมารรสีรังวิโสเย ใ, ใต้กลับไปได้แล้วทีนี้นะแล้วก็รับสาสินรับมาไปเสร็จแล้วเราไม่รู้รเลยเลยทีนี้ก็รับกันทั้งประเทศอ่ะแล้วกลับมาก็ยังธรรมดาอยู่เลยไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่เห็นมันจะมีเนื้อมีตัวศีลเกิดขึ้นมาได้ยังไงเลย แล้วมันเกิดยังไงถามว่าเมื่อรับมาเบ็ดเสร็จแล้วเราจะต้องครั้งนั้นแปลว่าเราตั้งใจแล้วใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกเป็นการเริ่มต้นในการที่จะทําศีลให้เกิดแต่เมื่อรับมาเบ็ดเสร็จแล้วเราต้องเอาศีลมาบริหารให้เกิดขึ้นไหมให้มาเป็นเนื้อเป็นตัวเราได้จริงๆใช่ไมลูทีนี้คาว่าเจตนาศีลเนี่ยคือจิตที่ เจตนาคือความตั้งใจตัวเจตนาเป็นเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมพระเจ้าเจตนาหังกรรมังวิระวลานีเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมไอ้เจตนาอยู่กับบาปได้ไหมเจตนาอยู่กับบุญก็ได้ฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลศีลต้องเป็นเจตนาที่อยู่กับบุญอยู่กับกุศลไอ้ตัวเจตนานี่เป็นตัวพีชะนิทานกิจเขาแปลว่าเป็นตัวมเมล็ดพันธุ์ ไอเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราได้เมล็ดพืชมาในเมล็ดข้าวมาเนยเราหว่านลงในนามันขึ้นไหมทีนี้เราได้เมล็ดพันธุ์คือเจตนาคือความตั้งใจมาแล้วเนี่ยเรามาหว่านลงในกระแสชีวิตของเราแล้วเราทําให้เมล็ดพันธุ์ของกุศลศีลมันงอกเงยขึ้นไหมงอกเงยแปลว่าแปลว่าศีลมีลักษณะแห่งการควบคุมใช่ไหมควบคุมอะไร ควบคุมกายกับ ว, วาจาควบคุมกายกับ ว, วาจาควบคุมกายยังไงแ ท, ท้จริงก็เรียกคาศีลนะเนี่ยมีสองส่วนด้วยนะทว่าตามศัพท์เนี่ยนะศีลนะเนี่ยที่บอกว่าทํากายกรรมวจีกรรมไม่เกลื่อนกล้นไม่กระจัดกระจายไม่สร้างไปด้วยความทุศีลเป็นต้นแต่ศีลนะอีกคําหมายหนึ่งที่บอกว่าอุปธารานาังเนี่ยที่ว่าเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงทีนี้ ถ้าควบคุมกายอิยกรรมเวจีรกรรมถ้ากุศลศีลเกิดขึ้นต้องทำลายความทุศีลทุกข์มรียบไหมทำลายไหมทาลายการไม่มีศีลประเด็นมันอยู่ตรงไหนการทำให้ศีลเกิดขึ้นให้จริงในชีวิตเนี่ยทำยากหรือทำง่ายถ้าตัวกุศลศีลตัวสภาพของกุศลศีลมีเฉพาะเจตนาอย่างเดียวไหมเจตนาศีลเนี่ เจตนาต้องกระตุ้นอะไรถึงจะเป็นศีลธรรมชาติของเจตนาต้องกระตุ้นเตือนทั่วกลุ่มเจตสิกศีลให้เกิดขึ้นเมื่อเจตนาเกิดขึ้นแล้วต้องกระตุ้นความไม่โลภให้เกิดขึ้นในใจเจตนาเกิดขึ้นแล้วต้องชักจูงความไม่โกรธให้เกิดขึ้นในใจต้องตั้งใจในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิต เราได้มีความตั้งใจอย่างนั้นไหมว่าเจตนาที่จะรักษาศีลเพราะต้องการให้ความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นต้องการจะกระตุ้นเตือนชักนำให้ศรัทธามีความเชื่อมั่นในคุณของพุทธเจ้าถามว่าตัวครูุศีมีศรัทธาเป็นประฐานใช่ไหมเป็นต้นมีศรัทธามีหิริโอตปาเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้แล้วก็ต้องดูที่อะไรจะเป็นอาหาร จะเป็นอาหารอันโอชะที่ศีลจะเกิดได้ง่ายความละอายต่อบาปความเกรงกลักวลต่อบาปและศรัทธาศรัทธาในไหนตถาคตโพธิศรัทธาต่เชื่ออะไรคําว่าตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่ออะไรเชื่ออะไรนะเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของของใครของพุระเจ้าเชื่อไหมพระเจาตรัสรู้จริงๆ เมื่อเชื่อปัญญาการตัดสรุ้ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างบารมีทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นกรรมไหมเป็นกรรมไหมพระเจ้าทั้งทานบารมีใช่กุศลกรรมไหมศีลบารมีใช่กุศลกรรมไหมเนคขมมาปัญญาวิริยาเป็นต้นกุศลกรรมที่พระเจ้าสั่งสมมาที่เรียกว่าบารมีทั้งหมดให้ผลอันโอฬานและไพยเลิศ แ, และและดีเลิศก็คือสัมมาสัมปวิยาณเห็นไหม Nearly? เขตกับผลเนี่ยเราเชื่อ เชื่อตถาคตาโพธิสัตาเชื่อปัญญาการตรัสรู้ก็คือเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมอันเดียวกันไหมเนี่ยอย่างเดียวกันนั่นแหละทีนี้พอเราเชื่ออย่างนี้และเราก็เชื่อว่าเจตนาศีลเป็นกรรมไหมเป็นกุศลกรรมไหมเป็นกุศลกรรมและกำลังทำให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตฉะนั้นตัวเจตนาศีลต้องทาให้เกิดขึ้นบ่อยๆลึกแล้วแต่มันจะเกิด เราเคยคิดอย่างนี้ไหมเมื่อไปสมาทานรับศีลมาแล้วเนี่ยเราเคยคิดจะมาทำศีลให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตหรือว่าเออเรารู้เนื้อรู้ตัวเป็นคนดี